เขาขารต่อเพื่อนส่วนธมิกเราก็มาประรบธรรมสูกันฟังตามการตามเวลาเพื่อเป็นการศึกษาให้เป็นการประกอบกับการศึกษาปฏิบัติใหผู้ฟังให้ผู้พู ด, พ, ดพูดแล้วก็ไปทําดูไมให้พูดแล้วให้จํานะการปฏิบัติเนี่ยให้มันก็สอนวิชาการ ปฏิบัติการนพ้นแล้วอไปทําดูการเจริญสติสติก็คือตรวจตาดูแลตัวเองอยู่ก่อนที่จะดูแลตัวเองได้ก็ต้องมีตาตาก็คือตาในคือสติชมาชัญญะนี่แหละถ้ารู้ถ้ารู้สึกว่าอะไรก็แสดงว่าเรามีตาแล้วเราเลืนตาแล้วไม่มน้าลบ ปุงกายังปริมุก ข, ขังเนี่ยเป็นหน้ารอบเห็นทั้งตาเห็นทั้งหูเห็นทั้งจมูกรูปรสกลิ่นเสียงอะไรต่างๆตาเลาะหน้ารอบนะให้รู้ให้ดูให้เห็นทำหน้าที่ให้ถูกไม่ใช่ให้ไปเป็นไม่ใช่ให้ไปอยู่มันสุขก็อย่าไปอยู่มันทุกข์ก็อย่าไปอยู่ มันโล่ ก, ก็จะไปอยู่กับความโล่มันไม่โล่ ก, ก็จะไปอยู่กับความไม่โู่ให้ดูเพราะว่าที่ดูเนี่ยดูตะพฤ้นตะพื้อะไรที่มันจะมาโดยที่ไม่ตั้งใจมันเกิดขึ้นมาเองเช่นเวทนาไอจิตหรือธรรมอะไรก็ได้ไม่ปฏิเสธจะอย่างไรก็ได้จะโชคกะทุกข์ ก, ก็ได้เราจะดูมันอยู่นี่ละเราจะเห็นมันอยู่นี่ละ ใช่เห็นแล้วก็ใช่ได้ถ้าเป็นเราใช่ไม่ได้ถ้าเป็นเราก็สุดตรงหรือตันไปซะก็เห็นแล้วเป็นมัตถิมาเป็นทางผ่านได้เฉลยได้ทำหน้าที่อย่างนี้การเจริญสติเพื่ไม่ต้องเสียเวลาเพื่อไม่ต้องเนิ่นช้าเราลู่ไม่มีอะไรลู่ก็ลู่ไกลที่เราเคลื่อนไหวอยู่นี่ละ ให้โลกเป็นหลักเป็นฐานเป็นที่ตั้งเอาไว้ให้ที่ตั้งใน้ฐานเรากายเป็นฐานเราสติเป็นไปตั้งไว้ตรงกายนั่นแล้วมันก็จะเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมถ้าไม่หลงสี่ด่านนี่ใช่ได้รต่ว่ามันจะหลงด่านแรกก็คือกาย มาดูกายเป็นนานามันก็เห็นแจ้งในกายเห็นเวทนานานาก็เห็นตัวแจ้งในเวทนาเห็นจิตที่มันคิดก็รู้แจ้งในจิตที่มันคิดเห็นธรรมที่มันเกิดขึ้นกับจิตก็รู้แจ้งการรู้แจ้งก็คือการผ่านได้การเฉลยได้เมื่อสีดานนี่กักขังไม่อยู่ก็แสดงว่าไปได้แล้วก็จะถึงจุดหมายปลายทาง อะไรๆก็ดูอย่างดูนี่แหละดูสี่หลักนี่แหละจะเป็นความสุขความทุกข์จะเป็นความรู้อะไรต่างๆความสงบก็มไม่สงบดูมันดูมันดูมันตัวรูตัวรูตัวเนี่ยมันจะไม่เปิดเื่อนกับสิ่งใดเลยเราจะรู้จะสึกว่ามันใช่ได้จริงๆภาวะที่ดูเนี่ยภาวะที่ปลอดภัย เรียกว่าพรหมจรรย์ก็ได้แต่ว่าแต่พืชพรหมจรรย์ก็ได้สภาวะที่ดูเพรวาวะที่เห็นเนี่ยแล้วก็มั่นใจมั่นใจว่าตัวเองมีศีลไม่ผิดศีลสภาวะที่ดูเนี่ยสะดวกสะดวกที่จุดการปฏิบัติทำตามหลักของสภาวะการปฏิบัติเนี่ยเราถึงภาวะที่ดูเนี่ยโอ้ ใช้ได้เลยสะดวกไม่ต้องไปตกคบหนุนตกคบเนี่ยชงวันสํารวมอะไรเอ่าตาเธอจะเห็นอะไรมาก็ไม่เป็นไรเราจะดูมันอย่จะนี่ถ้ามันจะต้องเห็นแต่ไม่ได้ไปหาดูไมเ่เหลืขอขวัขวยที่จะดูเรามีหลักของเราแล้วโอก็เหมือนกันเอออะไรจะทําให้ได้ยินเราก็รู้เราก็พอแล้วไม่ต้องไปยินดีไม่ต้องไปยินไรเพระาะว่าที่เห็นมาก็ มันก็จบแล้วล่ะทุกอย่างภาพวัตที่ดูเลยมันครอบจกกักรวาลมันสลุปมันย่อลงเพียงกับมือเดียวปฏิบัติมันก็มาอยู่ตรงนี้มาเรียนรู้ตรงนี้มาเห็นอยู่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละเป็นตรงที่จะต้องอืโซ่ไข่กุญแจแจ่โซ่เป็นที่จะก้าวออกไป ไกลจากความไม่รู้ไกลจากความหลงภาวะทิฏฐิโดนมันเห็นอะไรก็ดูเนี่ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วอันจึงเรียกว่ามรคือทางผ่านผ่านจากภาวะที่เป็นนะแล้วเราก็ในชํานาญเราก็เห็นเรื่องนี้ระยาปฏิเสธดีแล้วถ้่มันเกิดได้เห็นจะเป็นเวทนาก็ดี เป็นความคิดก็ดีจะเป็นทำอะไรก็าตามเป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นควา ม, มงา่วงเหงาหอนเป็นความชิดลังเลสงสัยไม่เป็นไรให้มันเกิดขึ้นมาอเกิดขึ้นมาเราก็ชะโนกไปดูสักหน่อยเออลู่แล้ววางเนี่ยแล้วกับเรานอนกลางกลางคืนเสียงอะไรก็แกก็แก ก, ก, กอยู่ข้างกระติเราชะโนกไปดูโ อ, อ้ลู่แล้ว นางทีก็เป็นเสียงหนูบางทีก็เป็นเสียงตุ๊กแกบางทีก็เป็นเสียงสัตว์ปลาบางทีก็เป็นเสียงเม้นเด็กติคนแอดเนี่ยสมัยก่อนผมก็อยู่ตรงนั้นสมัยโน้สมัยยังมีช่างป่าช่างก็อยู่แถวเนี่ยแถวใกล้ๆกับเขตผู้หญิงแถวอันนี้แหละสวนมะม่วงลำํำไยเนี่ย <c oughs> ยังเม่นมาล่องอยู่ในใต้ถุนก็นดิตดดตดตดตดแล้วว่ามัขึ้นมาจากเขาเอ้มันมาได้ยังไงมันไม่มีถนนหนทางฟังดูมันก็ใกล้ฟังดูเหมกอนไกลๆแล้วก็ชะงงกไปดูไปดูเราก็เห็นเม่นมาหาจินใต้ถุนก็นดิเวลามันสั่นขนเวลามันเห็นศัตรูเห็นงูเห็นหนูบางทีมันเห็นเจ้งก็ยัง ใช่เสียงดังใส่ตรึตึตึตึแสดงว่ามีอํานาจระวังนะเธอมานี่ระวังขนเรานะปักอะไรก็เจ็บปวดวิ่งหนีทั้งนั้นแหละเห็นพราะวจิตดูเห็นเออนี่เม่นนอนเล้วหลายเสียงที่ใด้เทีใดก็รู้แล้วอันนี้อีกกี่วันกี่ครัง้งกี่คืนก็รู้แล้วนี่คือเสียงเม่นเสียงสัต์เสียงอีเห็นเสียงนกบางประเภทลอง ฟังไปดีเหมือนคนเหมือนมีคนมาหาบมบมบมบ่มบ่มบ่มบ่มบ่มบ่มบ่มบ่มบ่มบ่อบ่มบ่มบ่มบ่ม่มบ่มบ่มบ่มน่มบ่มบ่มบ่มบ่มบ่ม่มบ่มบ่มว่มบ่ม่มบ่มบ่มบ่มบ่จบ่มบ่มบ่มบ่มบ่มบ่มบ่มบ่มบ่มบ่มบ่มบ่มบ่นบ่มบ่มบ่งบ่มบ่มบ่มบ่มบ่มบ่มบ่มบ่มบ่มบ่มบ่มบ้มล่มบ่้บ่มบ ลองอย่างกมาแจ้งแล้วแจ้งแล้วนกบางประเภทนะเรียกว่านกกระ บ, บานกกระ บ, บาดดงจะลองแจ้งแล้วแจ้งแล้วแจ้งแล้วทั้งได้สองสามทุ่มมันก็บอกว่าแจ้งแล้วแจ้งแล้วแท้ๆมันนกมันก็รู้แล้วชันเลิกไปดูเพราะมันได้ยินไม่ได้แบบโอ้กลัวนะรู้อะไรนะ่ากลัวนะเอออันนี้เสียงอะไรโอ้ ปรงปรงแต่งแไปไม่ใช่พอดูรู่เราก็จบแล้วจบแล้วเฉลยได้แล้วไม่ลังเลสงสัยอีกต่อไปมันก็อันเดียวนั่นแหละเสียงเม็นก็คือเสียงเหม็นอันเดียวนั่นแหะเสียงนก็อันเดียวเสียงเห็นเสียงเก่งกอันเดียวในตัวเราเนี่ยก็มันมีอันเดียวจะเป็นสุขเป็นทุกข์ก็เป็นนั่นก็คือเวทนา มันชื่อว่าความคิดมันคือความคิดมันชื่อว่าธรรมที่มันเกิดขึ้นเป็นกุศลอกุศลก็ธรรมนั่นแหละเหมือนเก่าอันเกิดเมื่อไรก็ที่เก่าเหมือนเก่าไม่ได้ไปตั้งตรงไห น, นมันตั้งอยู่ที่เก่าที่เดิมเหมือนเดิมไม่ต้องไปเอะใจอะไรความง่วงก็อันเก่านั่นแหละความคิดก็อนเก่านั่นแหละไม่ต้องไปเกาหัวไม่ต้องไปยุ่งไปยากกับมัน นี่คือความง่วงนี่คือความชิดลังเลสงสยัยนี่คือทำมาลมที่มันเกิดขึ้นอ่อก็คืออันเก่าน่าะแ่ะอยาไปยุ่งกับมันจนมาเกาหัวตัวเองจนเครียดจนอ่าถือว่าเป็นเรื่องยากถือว่าเป็นเรื่องง่ายเอาเป็นยากก็ เ, เป็นง่ายซะนันไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายความง่วงเอาห้องนอ น, นก็เป็นอย่างนัน้นก็เป็นของมันอย่างนั้น อันเก่าสิบปียี่สิบปีก็ตามก็คืออันเก่าก็เชืหน้ามันได้ชีพระพุทธเจ้าก็บอกก็คือในวรรธรรมมองมันเหมือนกับว่าอ่ามันเป็นอันหนึ่งต่างหากที่มันเกิดขึ้นกับเราเราก็โลมันโลเห็นูลแก้งด้วยซ้าไปบางทีมันเกิดปัญญาด้วยการเห็นในบรธรรมเนี่ยโอ้ เป็นปัญญาเห็นทุกเห็นสุขก็เป็นปัญญาตลอดถึงดูไปดูมาอมันก็ชัดเจนขึ้นเห็นเป็นรูปประทับเห็นเป็นนมามธรรมนั่งอยู่นี่มันคือรูปคิดไปน่นคือ น, นามมันเลยจักเคลื่อนไว้จะเปรียบเทียบมันก็ต้นไม้เหมือนกับก้อนเห็นก้อนดินมันก็สุขไม่เป็ น, นก็ทุกข์ไม่เป็น มันเชิอะไรไม่เป็นมันโกรธมันโลภมันหลงมันไม่มีกิเลสตัณหามันไม่มีนามแต่เมื่อถึงแต่รูปมันก็มันก็ไม่มีอะไรมันคนเน่าไปแล้วไม่ได้ตั้งอยู่อย่างนี้โอ้ีนมันมีนามอาศัยอยู่ด้วยกันมันรู้จะเก็บรู้จะพวดโอ้ขอบคุณมันเดินมากก็เหน่วยเออขอบคุณมันโยงกัดมันเจ็บเออเนี่ยขอบคุณมันไม่รูปไม่นามมันเป็นสัญญาณภัยของเขาความร้อนความหนาวความหิว ผมปดวดผมมุ่ยโอ้หน้าขอบคุณมันเป็นทางเฉลาดด้วยพลิกล็อกนิดเดียวเป็นปัญญาถ้าไม่รู้จักพกลิกลอกก็โง่ก็โศกก็ทุกไปซะมันก็ไม่ไม่มันก็ไม่เรื่องไม่ใหญ่โตแต่ถ้าเราไม่ร่วมก็ใหญ่โตมันบีบมันบังคับเราทำให้เราหลงทำให้เราอเกี่ยวข้องข้องกับสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นก็เห็นโลภเป็นนามเาก็เฉลยได้ทั้งหมดแล้วแบบ มองอะไรก็เป็นรูปเป็นน้ำแต่มองถึงกลิ่นหอมก็เป็นน้ำกลิ่นมันก็เป็นอย่างนัน้นก็เป็นคู่กับอารมณ์ที่มันเข้ากันได้ดีเหมือ น, ก, นกับ น, มนม้ํากับน้ํานมน้ำเขานมมาใส่ก็เป็นน้ําเป็นนมให้มันกับน้ํากับน้ํามันกับน้ําเข้ากันไม่ได้ลูกมันก็ขยาย เอาไปเอามาเสียงก็เป็นรูปปิ่นก็เป็นรูปรถก็เป็นรูปจิตใจที่คิดเป็นอารมณ์ก็เป็นรูปรูปมันสัมผัสมันกระทบทํำไมเกิดชกเกิดทุกได้เรียกว่านามารูปนามารูปทำไมคนชอกล่มไปก็ได้เจ็บปวดจนตายก็ได้ออันรูปที่มันกระทบถ้าเราไม่รู้จักมันก็มีพิษ ถ้ารู้จางมันก็มันไม่มีประโยชน์มันไม่มีสาระอะไรก็คือรูปนะว่านามันรูปมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับอาการเกิดดับของนามรูปโอ้วันหนึ่งไม่รู้จีภพจีชาติอเกิดทุกคราวเป็นทุกล่มไปนามรูปเราก็ชี่หน้ามาเลยอันตัวนี้มันไม่เที่ยงเกิดขึ้นต้องอยู่ดับไป มีความเจ็บความเจ็บความตายมันไม่เที่ยงแล้วก็เฉลยได้ทุกทีเอาไปวางลงตรงนั้นอาการเกิดดับของนามรูปเอาไปวางลงในใจลักเอาไปเทลงตรงนั้นใจลักเป็นทังขยะอันใหญ่มีที่วางแต่มีที่วางแล้วมันก็ไม่มีขยะในหัวใจเราเว่วางแล้วมัน อย่างไหนก็ตามเป็นความว่างจากความหมายอย่างความเป็นตัวตนแต่ว่างแต่เห็นที่ใดไปวางตรงนั้นที่ใดมันก็เบาวิวึ้นมันเป็นปัญญาเป็นปัญญาแล้วก็เลยไม่กลัวเอามาแปลสภาพให้เป็นปัญญาทั้งหมดในรู ป, ปรธรรมในนามธรรม ระบบมันทกตามมันทุกเป็นปัญญาทางนั่นโลกโลกนามโลกเป็นปัญญาทางนั้นโลกสมมุตินามสมมุติเป็นปัญญาทางนั้นอหมืนหยัดวัตถุอาการต่างๆที่มันสลับซับซ้อนที่ทำให้เกิดอะไขึ้นว่ามันไม่เหตุไม่ปัจจัยเรแลู้จักอ้นบึ้งของสิ่งเหล่านี้ ไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก่เห็นตีนไก่จะดำดินจะบินมาจะอะไรมาก็ตามก็คืออยู่ในวงของวัตถุหรือปรามาทหรื อ, อปรามาตัตทศจักปรามาตทศ ส, ส, สภาวธรรมทั้งนั้นสมมุติเริงแบบสมมุติ ปรมัดก็จริงแบบปรมัติก็รู้จักใชู่้จักโคตรู้จักเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องตามสมมติบรญญัตจริงแบบสมมติบรญยัตไม่จริงแบบปรมัติสัจจะก็ใช่ให้สาเร็จประโยชน์เกี่ยวข้องกับตัวเองเกี่ยวข้องกับคนอื่นวัตถุอื่นสิ่งอื่นเอาไปลงตรงนั่นเลยไปลงตรงใจลัก จเลือนอยน่ีอย่างเดียวก็พอตัวนะผมว่านะถ้าเห็นใจตลรักอย่างแกมแจ้งเ อ, เอียงไปไหลไปเทไปสูงมากสู่ผนไม่มีตัวตนเลยแต่เห็นแจ้งนะไม่ต้องไปศึกษาอะไรจนยุ่งจนเยอะหรอกถ้าเป็นปรมาตสภาวธรรมทะลุทะลวงได้มอะไรที่เป็นรุ่นเป็นก้อนทำให้สับสนอะไรหรอมันเป็นช่องเป็นทาง มันเห็นกระแสเห็นฝั่งมันไม่ต้องมุดลงไปเป็นสุขเป็นทุกข์ทำไมไปโกรธไปโลภไปหลงแหายทําไมมันเป็นสมบัติของโลกเปื้อนแต่เห็นแล้วก็โอ๊ยบริสุทธิ์เลยเลยพูดแบบภาษาหลวงตาองค์หนึ่งเป็นผู้ดูอย่าเป็นผู้อยู่เป็นผู้เห็นอย่าเป็นผู้เป็น พอแล้วเท่านี้ก็พอแล้วการปฏิบัติดนอะ่านได้ตลอดสะดวกด้วยการเห็นการเนี่ยปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าเห็นเราทํำยังไงดูเราเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้มันก็มันก็จะหลุดการเงื่อนปมของความหลุดพ้นก็มีเท่านี้แหละไม่ต้องมากดอกอืม วิธีปฏิบัติที่เป็นตําราเล่มนี้กายอันใจเนี่ยมันไม่มากแต่ถ้าเป็นระเบียบวินัยต่างๆภิกษุก็ยากก็ยากอยู่ต้องปฏิบัติต้องปรคิบปรคิ ก, รคกหรือปฏิบัติแบบชาวบ้านธรรมดาเนี่ยปฏิบัติแบบไหนแบบชาวบ้านธรรมดาก็คือ เปลี่ยนล้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนผิดกลายเป็นถูกเปลี่ยนความโกรธให้เป็นความไม่โกรธเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความไม่ทุกข์เอาตรงนี้ซะก่อนถ้าตรงนี้ได้ในปฏิบัติแบบชาวบ้านอืจะเปลี่ยนโกรธ ใ, ให้เป็นไม่โกรธเปลี่ยนหลงให้เป็นไม่หลงตรงนี้นะให้รู้จะเปลี่ยนเปลี่ยนให้เป็นเนี่ย อาจจะไม่ได้มาเดินจงกรมเหมือนกับเราอาจจะไม่มานั่งสร้างจังหเหมือนกับเราแต่ถ้าเรานั่งสร้างจว่าวะเราเดินจงกรมถ้าไม่เปลี่ยนตรงนี้มันก็ไม่ถูกอีกแล้อะไรมันทุกเปลี่ยนไม่ทุกตัวเปลี่ยนเคยตัวรู้หรืะตัวทุกมันคืออะไรทุกกําหนดรู้โดยการรู้ทุกกำหนดรู้โดยการบรเทาทุกกำหนดรู้โดยการละโนนก็เก่งไว้เท่านองนั่น ก็คือเปลี่ยนนะ่ะสรุปแล้วคือภาวะที่เปลี่ยนเปลี่ยนโดยการกําหนดลู่อย่าไปโอ๊ยตายตายไม่ใช่ลู่กาหนดลู ด, ด้วยการลู่กําหนดลูดด่โดยการบันเทากํากหนดลูดด่โดยการละนั่นแหละคือเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนตามขั้นตอนของสภาวะทุกขเกลียดมันหิวเนี่ยกาหนดลูดด่โดยการลู่ไม่ได้หิวข้าวก็กินข้าวหิวน้ําก็ดื่มน้ํามันโปดมันเมื่อยก็บันเทาไปถ้าทุก จะต้องหายใจที่ต้องมือเนี่็กําหนดด้วยการลู่ถ้ามันไม่มีโอกาสกําหนดลู่โดยการลู่บางทีกําหนดลู่โดยการหนีออกเขื่นหนาวมากๆไ ม, ม่ผ้าห่มทําไงถ้ากําหนดลู่โดยการมันเท่าก็หาผ้ามาหม่มถ้าไม่มีผ้าหม่มทําไงก็มีสิละไปไ กำหนดรูด้วยหนีออกไปยังมาอยู่โอ้ยหนาวโอ้ยหนาวโอ้ยหนาวโอ้ยหนา ว, นาวตายตายต า, ยต า, ยตายไม่ต้องไม่ตายไม่ตายไม่ตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรือว่าฉานซะหายตับบะซะหรือสีซะลอยซะทําให้มันเยี่ยวยาลงไปใจเข้มแข็งทีความหนาวร้อยเอร์เซ็น ศูจุดสี่องศาถ้าเรากําหนดรูด้ในความรู้สึกที่ไม่เป็นเวทนามันก็เหลืออยู่ประมาณห้าสิบองศา<ม>ชั่วลองดู<ม>กับกับเข้าสู่ภาะวะไม่มีไม่เป็นอะไรโอ้ยหนาวโอ้ยหนาวโอ้ยหนาวเย็นหนาวโอ้ไม่เป็นอะไรภาะวะหนาวเป็นอะไรภาะวะกิดนีนมันต้องเป็นอะไรไม่เป็นอะไรไม่เป็นผู้หนาว เห็นมั น, นห น, นว า, า, นาเหนบบวเพราะว่าที่เห็นเนี่ยจะเรียกว่าฌานก็ได้นะเห็นแบบรู้สึกตัวเนี่ยเป็นฌานสมบัติคนละภาว่าที่เห็นจูงสุดมีสติแล้วแะไรอยู่เริ่มต้นก็สติท่ามกลางก็สติที่สุดก็คือสติใช่ได้จริงๆความรู้สึกตัวถ้าขาดสติก็เชี่ยโกงจะไม่ได้มันลองใช้สติดู เอาอันนี้ก่อนเองหลักที่ไปก่อนอะไรก็ตามหัดไวห้หัดเองความรู้สึกตัวไว้ก่อนรู้สึกไ้ก่อนมาก่อนแม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็เอาก่อนเอาสติก่อนรู้ ก, ก่อนเช่นเรานั่งอยู่คิดจะลุกอย่าให้ความคิดมันเป็นใหญ่จะลุกไปเลยรู้ ก, ก่อนค่อยลุก เดินอยู่มันจะจะนั่งอะู่ก่อนยัค่อยนั่งก็รอนมันมาเออลู่แล้วรอดลูแล้วหนะวลู่แล้วลู่แล้วลูแล้วลูแล้วสับว่าลู่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่ของหน่อยนะเป็นศักนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นวุธิธรรมนะคําว่าลูแล้วนะก็คนทันญานะคนทันยาเนี่ยที่เรียกก็ชื่อคนทันญา ภาวู่ก่อนแล้วกับพระเจ้าเลยให้นามอัญญาสีอัญญาสีแล้วก็อาจารย์มณัตเนี่ขาชื่อมนัตพราท่านมีคุณธรรมกับด็อกเตอร์รองาศาสตราจารย์ะนะมันมีคนวุ ธ, ธิภาวุ่นก่อนรูแ้แล้วรู้แล้วเป็นวุฒิธรรมอันสูงนะะถลุงย้อยไม่มีอันไหนที่จะขวงกันได้ภาวะที่วัดรู้แล้วรู้แล้ว O, o, ออรู้แล้วรู้แล้วคืออสตินั่นแหละไม่ใช่ที่ไหนอีกลนะองเผ่าเหล่ากกของสติสัพชัญญะเป็นทั้งปัญญาคืออันนี้แหละเป็นทั้งศีลก็อันนี้แหละเป็นทั้งสมาธิก็อันนี้แหละมันคงเป็นทั้งยานก็ น, นี่แหละทะลุเพราะว่ารู้เร็วมันทะลุแล้วนะพ้นแล้วเปี่มมุดด้วยวแต่ว่าที่รู้เร็วเนี่เป็นเปี่มมุดด้วยเป็นมักระงมักระ ก, ก็คือดูเห็นแล้วนะ โล่ ก, ก็พ้นแล้วดีไม่ดีทุกจนไม่เกิดสิ้นเชิงดับทุกได้สิ้นเชิงถูกแล้วพวกเราเราเดินจงกรมมีความรู้สึกนั่งสร้างจังหวะ ม, มีความรู้สึกไม่ผิดเดินจงกรมก็ไม่ต้องไปย่องนะเอาให้เตะเท่าเลยตบตบเลยมันได้พลังอย่าไปย่องโดินให้มันได้สัดได้ส่วน ลวมท่วงแรงท่วงของอพลังงานก็งลราให้มันได้พอดีพอดีเอาไว้กันไปมันก็เหนื่อยถ้ามันยืดหยัดยืดเยอนไปก็เหนื่อยพปิดขึ้นมาแต่มันก็กับเป๋าแล้วขับรถหล่ะโดยจากยอดหลุมโดยจากพุ่งบางโอกาสแต่มันง่วงสลึมสลือพุ่งออกไป รู้สึกมันมีมีเทคนิคอยู่ในตัวเรามันไม่มีสูตรสําเร็จเทคนิคต่างๆเราหามาให้มันเหมาะสมกับสภาวะที่เราอยู่เราเป็นอย่างไร <c oughs> ลักษณะเดินย่องๆผม <c oughs> ผมว่าดีดีม <c oughs> ากเกันไม่ว่าไม่ดีแต่ว่าถ้าเป็นสติไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องย่องแบบไหนก็รู้ได้ขอให้มันรู้เถอะไป อ้าไม่รู้เราจะย่องขนาดไหนมันก็ไม่ได้หรอกถ้ารู้แล้วย่องก็ได้ไวก็ได้ความรู้สึกตัวนะเราก็ทําได้เอา้ามาหายใจดูได้ไหมได้ยกมือดูได้ไหมอันเดินดูได้ไห ม, อไไหมอลองบริกรรมดูสิบริกรรมพูดโทรพูดโ ด, ด, ด, ด, ด, ดีไหมมันจริงไหมมันเป็นตัวสติจริงไหมตัวบริกรรมกับตัวรู้อันเดียวกันไหมไม่อันเดียวกัน บริกรรมเป็นตัวหนตัวลูกตัวนึงตัวลูกจาเป็นต้องบริกรรมไหมไม่ต้องอืเช่นอย่างซา่ย่างหนอขออย่างหน่อยตัวลูกจริงจริงมันต้องว่าอย่างนั้นไหยไม่ต้องว่าก็ได้อถ้าจําเป็นต้องว่าก็ได้ถ้ามันยังไม่มีเกอบมันนไม่แน่นหนาเอาจับไปกอดจับไปกอดหาใจเข้าพุทธหาใจออกโทตัวลูกจริงจรงต้องว่าพุทโทหรือไม่ต้องว่าก็ได้ถ้าว่าก็ได้ นี่ใครบอกเราเราสัมผัสลองดูแล้วมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นี่นะปฏิบัติธรรมไม่ใช่ผมพูดนะธรรมาชาติจริงๆริงสิ่งที่พูดไม่ได้จำไม่ได้เล่านิยายมันประสบการณ์มันเห็นอย่างนี้มันก็พูดไปชำนองนี่ แล้วก็รับผิดชอบด้วยคำพูดนะเชนวาพุโทโธพุโทโธจาเป็นหรือสติเนี่ยเอ้าไม่จาเป็นแล้วก็จาเป็นบางอย่างถ้าความรู้สึกจริงๆก็ไม่จาเป็นไม่ต้องว่าซ่า ย, ย่างหนอคอย่างหนอไม่ต้องว่าก็ได้ไม่ผิด <c oughs> าถ้าจะว่าก็ไม่ผิดถ้าโลไม่จริงอาศัยไปก่อนแล้ว <c oughs> เราเดินได้แล้วจะต้องไปจับเรา ปกติเราไต่ออสะพานเนี่ยไม่จำเปนเเเ็นต้องจับราวหลวงพ่อเดินไต่สะพานเนี่ยไม่จับเลยเราววุ้มวุ้มวุ้มไหสบายแลย้วแต่บางคนจำเป็นต้องจับก็จับไปแล้วเราจับไม่ต้องจับก็ได้อยู่แล้วแเ้าจะไปจับทําไมมันจะต้องไปเสียเวลาแล้วไม่คล่องด้วยนะถ้าเราคล่องแล้วไม่ต้องจับรับรองว่าข้ามไปถึงฝั่งสลาได้จากฝั่งสลาข้ามมาถึงฝั่งสลาไกได้ ไม่ต้องจับแล้วไปจับไม่เสีเวลาทำไมถ้าเจอว่าพุโทโธเป็นนิมิตเจอว่าถ้าอย่างหนอขอจังหนอเป็นนิมิตเราสะพานเปรียบเหมือนนิมิตไม่ต้องไม่ต้องอาศัยแต่ถ้าคนที่ไม่เคยก็ต้องจับไปก่อนมันจึงจะข้ามได้อืแต่ถ้าข้ามได้แล้วคล่องตัวเราไม่ต้องจับก็ได้ไปเดียวดันเถอืะหรือ เอาจริงแล้วมันไม่มีเลยเอาจริงๆงแล้วมันมีเลยมีแต่ภาวะที่มันคิดการชนะขั้งสุดท้ายคือชนะตัวนี้ เ, เห็นตัวนี้เปลีปล่ยนสังขารไปวิสังขารรู้ทันทีตัวการมาตัวสังขารที่ใหญ่คือตัวคิดตัวกิตเป็นใหญ่จริงๆตัวนี้รู้ปั๊บทันทีครับคิดตังไมเลยอันนี้ก็พอแล้วนะ ก็ไปนอนไปนี่อนะเอ้ยหลวงพอ่พอหลวงพ่อเปนั่นนะขอโทษเอาไปขอเอพขอขอขื่อนทุกคนนะดีมาก <c oughs> ถ้าพวกนี้เราไปเพี้ยงนะแล้วก็ญญญญเตรียมตัวก่อจะไปรับ พ, พระมาไปก่อจะไปมันก็ประมาณ